กายเราตรวจดูกายของเราวุฒิชุมกายอย่างคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ตรวจดูกายของเราดูที่นั่งของเราปรับตรุงให้เรียบร้อยพอเหมาะพอดีในการนั่ง ท่นานหลัต่อไปเอกว่าปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าคำว่าสติเฉพาะหน้านจะต้องทาความเข้าใ จ, จาใเฉพาะหน้าก็คือสติปัจจุบันไม่เผลอนั่นเองอยต่อหน้า เมือกับเลืกพุทเอาสติเลือกทําคําบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งค่อยทําส่วนนั่นปรากฏอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่านั้นเอยมันจะกิดเพิ่มหรือมันจะพลิกแปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็เห็นเพราะอยู่ต่อหน้าฉันได้สติที่เราเลือกจะทอดหน้าจะเลึก ทำอะไรทำอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธพุโทโธไปเลิกรู้อยู่อย่างนั้นเรื่องกับปริมุขขังสตงิปริก็เปลว่ารอดอไม่ความวาไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่ไม่ริดหลอกนี้ไปทางใดทางหนึ่งอยู่ปรกากฏชัดอยู่อย่างนี้นี่เบื้องต้นของการทำสมาธิ เราต้องเตรียมสติเพราะสตินี่แหละทำให้เราถึงทำรู้ทำเห็นธรรมเห็นความจริงหรือเห็นจิตเห็นธรรมจิตคือหมายถึงผลเรือตัวของเราทํำในสติอยู่ในจิตก็ย่อมน้อมไปในจิตก็เห็นจิตถึงจิตของเร า, าถ้าส่องดูธรรมปับสตินี่จะรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมกับจิตนั่น มันก็อยู่อันเดียวกันส่วนธรรมนั้นเป็นอารมณ์ของจิตจิตนั้นเป็นผู้รู้ธรรมคืออารมณ์เพราะฉะนั้นเราเพยายามจะเลือกรู้เฉพาะอยู่อย่างนั้นอยู่เสมอเสมอเพื่อสติของเราจะไม่เผลอมาทำโด้วยความเพยายาม คนสมบัติทีจใจได้สมาธิรู้ได้ปัญญาจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั้นต้องประกอบไปด้วยความพอใจเี่ยพอใจในการภาวนาพอใจในการยลึกพอใจในการรู้เล่าตัวของเราคําว่าทําโดยความพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากให้เราตรวจสอบดูเราพอใจหรืออยากที่เราจะนึกพูดโธพุทโธ ทำโดยฉันทะคือความพอใจนั่นเองนี่เป็นทำส่วนหนึ่งกำลังที่จะให้ได้สมาธิแล้วก็อีกกำลังส่วนหนึ่งคุณสมบัติของสมาธิทำด้วยความเพยายามเรียกว่าเิรยะคือความเพียรพยายาไม่ใช่สักเลยว่าทำไม่ใช่ว่าไม่สบายเล็กๆ็ก่น้อยก็ถอนจิตออก เกิดความท้อถอยเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจน้อยเข้ามาไม่ถ้าอย่างนั้นยังไม่มีคนสมบัติทีใจถึงสมาธิได้คนสมบัติทท่จถึงสมาธินั้นต้องมีความเพียรด้วยพยายามด้วยถึงยากแล้วก็เพียงพยายามเพราะสิ่งที่ดีทั้งหลาย ได้มาด้วยความยากความยอมบากทั้งนั้นไม่ใช่ได้ด้วยความง่ายง่ายจริงเราต้องการความสงบแล้วไม่ใช่จะได้เลยง่ายเพราะสิ่งที่ทำไม่ให้สงบที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีฉันทาความพอใจถ้าไม่มีวิริยะจะไปช่วยเหลือแล้ว สิ่งติดทำลายความสงบมันมากเกาะกวนเบียดเบียดเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งก็คือขันธ์เมื่อมืทุกขเวทนาคอยรบกวนมีความไม่สบายอยู่คอยรบกวนอยู่เสมอหรือมีสิ่งที่ล่อเห็นว่าความสุขความสบายอยู่ที่อื่นมเห็นว่าการมารู้ตัวการมา กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ไม่สบายถันเลิกไปเรื่องอื่นสิ่งอื่นออกไปเลื่อนลอยไปอย่างนั้นเห็นว่าความสบายมันลอจิตให้เราหลงทะเลทลายไม่ให้จิตใจของเรามีแต่สมาธิขึ้นมาเส้ดนดอนได้เรื่องขันธ์ธรรมะคอยขัดขวางก็ ค, ความไม่สบายแล้วก็แสวงหาความสบายที่เลน ถ้าเราลืกอยู่พุโทโธพุโทโธรู้ตัวทาความเพียรอย่างนี้ไม่ค่อยสบายอะไรมันไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นส่วนคุณธรรมที่เราจะต้องะลืกเข้ามาช่วยด้วยก็คือความเพียรนี่เองความพ ย, มยายามที่เรียกว่าดิเยะคือความเพียรความเพียรตั้งใจจะเพียรอยู่แต่มันก็ไม่ยังไม่สมบูรณ์พอต้องจิตตะคือเอาใจฝักไส คว่จิตตะช่วยต่อมาอีกคุณธรรมมาอีกเทปพระพุทธเจ้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติมาและอริยสงสาวกพาพระพฤทธปฏิบัติมาจิตตะนี่คือเอาใจใส่ไม่เพียงแต่เพียรเท่านั้นเขาใจจดจ่อ ด, ด้วยนะในปัจจุบันในสติที่เราระลึกนั่นแหละในความพอใจในสิ่ง น, นั้นแหละและความเพียรในสิ่ง น, นั้นแหละและจิตตะจดจ่อในพุโทโธสิ่งทั้งที่เรากําลังทําอยู่ เึ่งานที่เรากำลังทำในปัจจุบันถ้าจิตใจมันยอมรับมันอ่อนแล้วมันเอาใจใส่มันอยู่ในการบริหารการปกครองัวการภาวนาควรแก่ ก, การงามแล้วมันก็น้อมไปเพื่อเอาใจใส่ตามที่เราสั่งตามที่เราบอกถ้ามันยังไม่ต่อเนื่องกันความเพียรก็อ่อนสติก็อ่อนไปด้วย ความปนโรคก็ค่อยอ่อนสมาเทศก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาใจใส่พุทใจพุทธโธอีก้วเนี่ยไว้คิดตะวิมังสาความตรวจรอบคอบในภาวนา น, นี้ยก็ให้มีให้สังเกตไปด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันสามารถที่จะตรวจที่โดูจให้เห็น ขึ้นมาในเฉพาะปัจจุบันเมื่อเราวิฟังษาตรวจรองเพื่อจัดความสงสัยต่างๆโดยว่าไม่ไร้ประโยชน์เป็นความที่ถูกต้องการเราทำเราปฏิบัติเมื่อเราเห็นหลักถูกต้องตามธรรมประพุทธเจ้า เดินตามทางของพระพุทธเจ้าคือเริ่มโพดง่ายๆวัดตรรัสงัจจะนาให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นนั่นเองลมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเรามันก็เป็นกําลังใจของเราที่จะทําต่อเนื่องไม่ยากไม่ลาบากถ้าเราประพฤติจิตใจของเราดีแล้วเพราะความพอใจของเราก็มีความเพียนของเราก็มีจิตใจของเราจดจ่อก็มี ความสอบซองตรวจตราก็มีสิ่งเหล่านี้นควบคุมแล้วมันก็สบายเรบตกลงใจเราทํำดีใจเกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาขร้มาแล้วก็นั่งไม่สนใจที่ในเรื่องวอะไรจะเป็นอะไรอย่างอื่นนอกนั้นเราไม่สนใจร่างกายมันจะเจ็บจะปวดเล็กๆน้อยๆเหล่านี่เราเชื่อมันว่าถึงจะปวดนัเราก็ไม่เสียหายอะไร เพราะความเชื่อมั่นในพลังในทรรของเรามันก็จะหายไปเองเกิดขึ้นมาเองก็หายไปเองมันไม่ถึงจะทำให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เมืว่อความสงบเกิดขึ้นแล้วสิ่ง น, นั้นหายไปเองที่เราเคยก็ทำมาแล้วเราเคยเชื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาสิ่ง น, นั้นมาขัดความมุ่งทางเดียวยอมเป็นยอมตายก็ ทางอันนี้ในทําในส่วนนี้ตั้งใจทําจนผลที่สุดพุดโทโธพุโทโธเหลืออันเดียวให้ละเอียดเข้าไปตามระดับจากที่เราพิจารณาหลายหลายอย่างแล้วค่อยรวมเข้าไปอีกให้ละเอียดเข้าไปอีกละไปตามระดับจนเหลือแต่สติกับพุโทโธอย่างเดียวนับเข้านับเข้า ฟุตโทรหายไปเหลือแต่สติเลือล่อนเลือล่อนไปลืไปเหลืแต่สัมปชัญญะรู้อย่างเดียวถ้าถึงสัมปชัญญะรู้ตัวอย่างเดียวอยู่ต่อเนื่องกันสติก็จะไม่ทํางานก็ได้เพราะมันไม่เหลือแล้วเพราะมันตั้งอยู่แล้วเมีความรู้อยู่อย่างแน่วน่ทีนี้เราไม่ต้องควบคุมเหมือนแต่ก่อน เพราะอะไรเพราะมันเห็นอยู่ด้วยอยู่มันเสอะไปไหนก็เสาะไปได้เพราะความรู้ในปัจจุบันต่อเนิ่มมีพลังกันอยู่อย่างนั้นมันไม่เลิกให้มันก็อยู่อย่างนั้นแม้แต่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็อยู่อย่างนั้นถึงแม้เราเดินไปแล้วถ้ามันไม่ถอนมันก็อยู่อย่างนั้นเรื่องจิตมันละเอียดไปแล้วอะไรถึงพุทโธก็เพรารู้ที่แท้จริง นีพุทโธจะแท้จริงมันรู้อยู่อย่างนั้นเราไม่ได้คิดว่าอันนั้นเป็นสติอันนั้นเป็นสังขแชญญาอันนั้นเป็นอันนัไม่ได้คิดไม่ได้แตะอย่านัไม่ได้ต้องระวังอันนั้นเป็นอันนั้นเหมือนแต่แรกๆดกมันก็ไม่แตะรู้อยู่ทางนั้นเป็นพุทโธได้ถึงพุทโธจะแท้จริงผู้เบิกบานเรียกกับผู้ตื่นก็ได้ผู้บิกบาก็ได้นั่นเป็นเทพุ่งของเราพุทธะคือพู้รู้นั่นเอง เมื่อเรารู้แล้วความไม่รู้มันก็ค่อยเ่าไปที่แรกความรู้อย่างอ่อนไม่ใช่ว่ารู้ทีเดียวก็จะทั้งหมดเลยอย่างสิ่งที่เรายัางไม่รู้ก็ยังมีอยู่มากแต่เพียงรู้ทา่านี้เรารักษาความสงเทานี้รักษาความรู้ได้อย่างนี้มันอยู่เก่พอสมควรแล้วมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน เพราะมันเป็นช้ยโรูแต่อย่างนั้นใ้อย่างเดียวถ้ามันเปลี่ยนไปในทางอรยิยสัจนะเพื่อจะให้ได้เดินทางในองคมรรคมันจะเปลี่ยนจากโกรนนั้นเกิดความเห็นขึ้นมาเห็นทุกประกดขึ้นมาอีกวางทีเห็น แ, แั้งจะเกิดมาตัวเองทบทวนไปแล้วไม่จะทุก ตอดถึงขันข้นอันนี้หรือจะรวมพิจรนาไปเป็นส่วนรอบภยัยไข้เจ็บดูตรงไหนก็มีแต่โรคดูตาดูหูดูจมูกดูกายใจดูทุกส่วนมันเห็นสิ่งที่เป็นโรคแล้วเป็นทุกข์ชักและจิตใจยิ่งผ่องใสนะยิ่งมีความสุขหรือจะดูเป็นของไม่สะอาดแล้วแต่มันจะแสะดงประกฏในปัจจุบัน ของอุปลิสัยของบุคคลพวกนัน้นบางทีปรากฏรัดโดยสิ่งที่ไม่สะอาดดูแลก็ไม่มีอะไรสะอาดสักอย่าง uh huh. ดูแลก็ร่วมแล้วก็มีแต่ทุกในการบริหารทุกในการยึดถือทุกต่างๆโดยทำไมเราจรึงมายึดถือของไม่สะอาด uh huh. เราทำไมเรามาลงสิ่งที่เป็นโรค uh huh. มันก็เตือนมันเองก็ยิ่งฉลาดชังแม้จิตใจ น่าสงสารตัวของเราเองจะมาหลงสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ความจริงเลยให้เราสงสาร น, นี่ถ้ามันเดินในองมรรคมันจะได้บื่อหนายนิพพิธาในคําเห็นสัจจะคือทุกขสัจขึ้นมาพอเห็นทุกขสัจทุกขขึ้นมาก็สิ่งที่เราหลงคือตัวสมุตทยัยมันก็เชื่อมโยงกันไปไมาจากําไมจึงดำ มีอยู่อย่างนี้ทำไมเราไม่รู้ความจริงทำไมจึงเราจรึงรู mm ้ hmm. จะทบทวนอนุกมไปแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่สงบถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ทำส่วนนี้ก็ไม่เกิดเลยแ่ิี่พ ก, กิ่ชาก็ไม่เคยเกิดขึ้นในเราเราไม่เคยได้สัมผัสเคยได้รู้ของจริงอย่างนี้เลย อันนี้เพราะเราเดินตามทางธรรมของพระพุทธเจา้าเรามาปฏิบัติถูกต้องยิ่งมีศรัทธาขึ้นมาเองยิ่งน้อมไปเพื่อความสงดความบริเวรเรื่องใสในพระพุทธเห็นแจ้งในพระธรรมเห็นแจ้งในพระสงฆ์ขึ้นมาผู้ปฏิบัติถูกต้องขึ้นมาเรียกว่าสุปฏิปันโนค่อยชัดขึ้นในมันออกไปในทางปัญญาในทางอรยิยสัจยิ่งมีทางรู้มีทางเห็นเรียกวญญายามททัศนะ ความรู้ก็รู้ขึ้นมาความเห็นนก็ปรากฏชัดขึ้นมาทีนี้เราไม่ได้เชื่อตามใครทีนี้ใครใจเยี่ยบเยียวมาการเกิดเป็นคนสวยงามมีความสุขมีทรัพย์สมบัติมากมีอะไรมากมันสติมันลึกพักรู้พักรู้ทันรู้ทันหมดเลยมันไม่เชื่ออะไรเลยใครใจว่าอย่างไรมันเห็นถึงจะมีทรัพย์สมบัติก็ามาบำรุงรูปอันนี้ ในความสุขแค่โรคอันนี้แก่โรคอันนี้ที่ตังแห่งโรคอันนี้เป็นของไม่สาทอันนี้จะมียศท้าพนาศัก์มีอะไรก็เพียงแค่นี้แค่ของไม่สาทอันนี้ไม่ใช่ปัญญาสูงสุดไม่ใช่สมบัติค น, คนที่เราควรยินดีและคนรแปลกคนอัศจรรย์ที่ได้ที่มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้ข้ามจากรูปนี้เลย เราไม่ได้ข้ามพ้นจากขันนี้เลยมังเห็นว่าโอ้เนาเราเกิดมามีขันตัวนี้ก็มีความแก่อยู่ในขันอันนี้ความเจ็บก็ไม่อยู่ในขันอันนี้ความตายก็ไม่อยู่ในขันอันนี้แล้วเราก็ยังลงเสวงหาสิ่งที่แก่ขึ้นมาอีกเดินรอนอยากได้สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายขึ้นมาอีก อะไรเราสิ่งที่แก่ก็โรคนี่แหละถ้าเราสวงหาโรคก็โรคนีจะต้องแก่เตลียนแปลงข้างควาวสุดโสมไปเรียบกระจายรักอัิจริงทุกขัของอนัตตาดูไปใทรจะลอกในเรื่องไกลละทั้งหมดถ้าได้เสียงมาเสียงเสียเราเช่าเราพอใจไใจยินเกินเสียงเหล่านั้นแล้วก็หายไปสดโสมไปพุ่งอะไรไม่ได้สักอย่างทั้งกบ อย่างไรประโยชน์อย่างนั้นไม่เห็นว่าจะพิ่มได้แล้วได้ปลิ่นที่ดีดมาแกา้วมันเลยหายไปที่เสือยู่ในวัตถุอันไหนวัตถุอันนั้นก็มันเกลี่ยนแปลงไ ป, ไปตลอดรดตลอดแ ต, ตบบโพธิภพ ต, ต่างๆเมื่อพิจารณาสิ่งเนี้คขอโทนทั้ ง, ทงใจรักแล้วกลับน้อมมาดู ทุรุธรรมชาติถูกรุที่ต้องท่องเที่ยวที่เราเที่ยวมาแล้วเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกมานล้วพบชากไมถ่ถ่วนที่หมุนเรียนอยู่นี่ไม่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจะน้อมขึ้นมาพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมันก็ทราบชัดดีเหตุปัจจัยเหล่านั้น มาจากที่เราไม่ได้ฝึกอบรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราไปหลงถือตามสมมตินิยมที่เขาเรียกตามเฟร์นเทนีตามเก่าแก่ตามโลกตามพ่อตามแม่เอตามโลกเขาใช้สอยนิยมอยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้ปฏิบัติทำคําสอนพระพุทธเจ้าหรือเราไม่ได้พบหรวพุทธเจ้าเราไม่ได้ฟังธรรมของ พระพุทธเจา้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ปฏิบัติจริงจังให้เกิดความรู้ความเห็นในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้เห็นอย่างนี้ได้เห็นแค่นี้ถ้าเราปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งไปกว่านี้ทใไปกว่านี้เราก็จะได้รู้จะได้เห็นยิ่งไปกว่านี้ คิดกับ น, น้องไปเพื่อปฏิบัติพิจารณาไปรู้ไปเหตุปัจจัยที่ให้เกิดเพราะความไม่รู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เห็นจึงเรียนว่าแต่เกิดเพราะมันรู้ไปรู้ไปสิ่งที่ไม่รู้เคยหลมเคยยึดถือเคยถือมาแต่ก่อนคอยละได้ตามระดับตามที่อยากอยากตามสติปัญญาที่มีอยู่แต่ยังไม่หมด ยิ่งปฏิบัตละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขจะต้องรับไปเดียดตามระดับที่ความละเอียดความรู้ของจิตจนสามารถติ ด, ดรู้จนถึงสมุทฐามของมันคืออสระที่มันดองอยู่ในจิตใจที่เล็กส่วนละเอียดในกามาสวะเรื่องกามทางหลายที่เรายินดีเราพอใจคนก็ชอบแต่ให้สิ่งแค่ดีที่พอใจ ซึ่งผูกมัดสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขคนที่จะเห็นสิ่งที่รักที่ชอบใจว่าเป็นโทษมันน้อยคนเหลเกิดปัญญาธรรมดาไม่เห็นเลยนอกจากปัญญาในทางธรรมในทาในทางมรรคเข้าสู่อริยให้พ้นจากฆาสุเพราะคนเราตกในอำนาจแห่งความพอใจในความรักเนี่ย ไม่ใครไม่มองเห็นว่าสิ่งเหนี้นําทุกข์นำโทษมาให้แก่ตัวเองเลยนอกจากสมาธิทำนึกปัญญาทำสองนั้นมันจ ะ, จะเห็นโทษในสิ่งเหนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แบบเป็นตัวอาสวะดองอยู่ในจิตในใจเป็นเหตุให้ใหเกิดตัญหาขึ้นมาเอามมาตัญหาให้เกิดความอยากขับดันม้จากอาสวะนี่เอง เพราะไม่มีปัญญาลงนี้เองจึงมันหมุนเวียนจิงสวนหาพบสิก็เป็นภวัดนหายคำว่าพบเราก็จะพูดทับทับลงมายังไม่แจ้งในจิตในใจอะไรแท้เป็นตัวพบแล้วก็หาไม่เห็นเพราะมันเป็นธรรมที่สมมติมาพบเมื่อเราพิจรารณานแล้วคำว่าพบเป็นความหมายตรงเป็นสิ่งที่มีอยู่ เราก็จะได้พิจารณาจะอะไรมีอยู่ใครได้อะไรสมมุติว่าเราได้เป็นผู้หญิงเราก็พบถือตัววันนึกเป็นผู้หญิงจริงๆเราเป็นผู้ชายก็ยึดมั่นตัวเองเป็นผู้ชายจริงว่าเรามีสิ่งนี้ชิ น, นี้ของเราผู้หญิงก็มีสิ่นี้สิ น, นี้เป็นของเราถูกเราเกิดมีขันมีท่ามีอันเราก็ยึดถืออันนี้เองในสิ่งที่มีที่เกิดสิ่งนี้อยู่ ไม่เห็นอันนี้จังทุกข์ขันธนาฏตาแต่เห็นสิ่งนี้เป็นไกลรักและเพราะวะอันนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้ส่วนวิภวจารณาสิ่งที่เมื่อเรามีอันนี้เราวิภวจาราต้องมีเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ที่เราชอบป ร, ราลักเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่อยากให้มันเป็น เช่นว่าเราไม่อยากให้มันเจ็บเราไม่อยากให้มันร้อนเราไม่อยากให้มันหนาวอเราไม่อยากให้มันให้เป็นไปต่างความต้องการที่เราทั้งสทธิเขาก็เป็นหลักสูตรไปทำๆแล้วเราไม่อยากแก่เราไม่อยากให้อันนี้แก่ซึ่งพวะของตนเองที่มีอยู่สิ่งไหนทํามียาที่ไหนที่จะบํารุงให้แก่ได้ก็ ถ้าหลาะเทาตันแต่ก็ไม่มีถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากในความไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากอา้ตายนี่ก็เป็นตัวอสาาวะเป็นตัวภาวะเป็นตัวกับเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดด้วยใจของตนเองนั้นจะต้องปฏิบัติเติมตอนดังกล่าวมาคือทาจิตใจของเราปฏิบัติจิตภาวนา ตั้งแต่เริ่มสร้าสติทำสมาธิไปตามระดับตามระดับถ้าทำถูกต้องแล้วปัญญากูสุนทิติจใจฉลาดมันชี้ช่อดให้เราค่อยขยับรู้เห็นให้เกิดความเริ่มใสเกิดศรัทธาเกิดความพอใจไปตามระดับตามระดับจนสามารถรู้ความจริงชัดขึ้นมา ส่วนเหตุปัจจัยอาศัยเกิดตรอะถึงปฏิปทาการปฏิบัติการพิจารณาการแยกแยกฉลาดในตัวของมันเองจนมันเห็นชัดจนไม่เชื่อตามใครไปจากในใจของเราเองใครจะพูดอย่างไรความจริงต้องเป็นความจริงยืนหลักอยู่อย่างนั้นเรียกเป็นพูทีิมั่นคงนิยตโตบุคคลบุคคลที่แน่นอน แต่ผู้เห็นยังไม่รอบคอบทั้งหมดแนมะ้บางทีเห็นบางส่วนรู้บางส่วนแต่ยังบางส่วนที่เรายังไม่เห็นมากก็ต้องคันเพีไปก็มีเรียกอันนี้อยาตบุคคลบุคคลนี้ยังไม่แน่อาจะต้องดำเนินไปอีกมีสองประเภทเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำความฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตจเอาใจฝักไฝ แล้วก็สอบสอบตรวจตรองควบคุมให้ดำเนินไปด้วยดีจนถึงสติมีกำลังสัมปชัญญะ้ารู้อีกมีกำลังเมื่อสติมีกำลังยังทำได้ถึงรู้ไปจากในใจแล้วผู้รู้นั่นแหละจะตัวคลิกเพลงให้เกิดปัญญาขึ้นมา ได้เห็นของจริงขึ้นมาที่เป็นหน้าอิศิ์ยาที่เราไม่เคยคิดเห็นมาก่อนในช่วระยะที่เราเห็นนั้นความสงบความอิม่มมันทำให้กำลังใจของเราอยู่ปกติของมันเองเพราะฉะนั้นคอยเราท่านทั้งหลายจงเพียรพ ย, ยายาม้งจิตตะคา ตามเดัดด ง, งานนี้เป็นงานที่ละเอียดเราต้องใช้ความพยายามด้วยความละเอียดอันนี้ให้ต่อเนื่องกันอย่าให้เพล่ความรู้ก็เป็นรำรู้ที่นํามาทำให้ละเอียดเราจะบัญญัติขึ้นมาเองยังไม่ได้ในตอนนี้ต้องทำตามสิ่งที่ปรากฏสิที่เรามเลือกเราก็ยอมเลืกกามไปก่อน สิ่งที่รู้รเราก็ยอมรับรู้ในสิ่งใดเะพาะปัจจุบันที่มีอยู่ไปก่อนอยากเพิ่อยากรู้มากอยากเห็นมากถ้าเอาอยากเขาไปช่วยเหลืแล้วจิตใจจะอยาบขึ้นมาอจะฟุ้งซ่านอกีกเพราะฉะนั้นพยายามรวมให้เข้าสู่ความผงบสความสงบความผองใสของจิตความบริสุทธิ์ของจิตก่อนจนสติแน่แน่ แล้วสิ่งที่อัศจรรย์สิ่งที่จะตาองรเ้ตองเห็นให้มีมาตรฐา น, นแต่อย่าไปยึดไว้เป็นจะพูดให้เข้าใจเท่านั้นเรามาดูในปัจจุบันดีกว่ารู้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเพราะนั้นขอใเราทั้งหล า, ายพยายามจังจะติหรือะลึกแล้วก็รูปพร้อมควบคุมไปในตัวของการภาวนานะถ้า มีกำลังพอแล้วจิตใจก็สงบดังกล่าวดังบรรยายมาในวันนี้หยุดเตียบ